ในส่วนของถ้าการดับไปของวัตถุเราเรียกว่าจุติแต่ถ้าเป็นการดับไปของนามาลูปเราเรียกว่านิโรธคําสองคํานี้เหมือนกันไหมคาว่าจุติแปลว่าเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งแต่คําว่านิโรธคือมันดับทุบไปเลยเหมือนของสองสิ่งอ่ะคุณวิทยามาหนีก่อนเป็นมาเป็นอุปกรณ์ให้หน่อย เอาเอาขวดน้ำนี่มาอ่าสองขวดไม่ขวดหนึง่งหลวงพ่อสมมติขวดนี้เป็นเทียนอ่าขวดเนี้ยเป็นเทียนที่ไม่ได้จุดคนนี้เป็นเทียนที่จุดแล้วฮะเป็นเทียนที่จุดแล้วคือพอจุดเทียนปั๊บดับลงเนี่ยคือมันดับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ยัง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 มันจะมีการเวิยนว่แต่เกิดคือการดับเพรนีเขาเรียจติแต่เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วท่านมาศึกษาแยกในส่วนที่ว่ามันมีญาณคือตัวรู้อยู่ตัวรู้ที่เกิดจากญาณเกิดจากอากาศเกิดจากธาตุาสเนี่ยเพราะฉันจะทำองไรให้ตัวตัวไอแสงไฟเนี่ยมันก็มีสองลักษณะ1ก็คือความร้อนสองก็คือแสงสว่างเราใช้แสงสว่างของมัน นะให้ได้ประโยชน์แ ล, และใช้ความร้อนใหมันได้ประโยชน์ตรงนี้เป็นเรื่องของปัญญาแต่เมื่อใช้ประโยชน์เสร็จแล้วเราต้องเปิดไฟทิ้งเอาไว้ไหมสมมติคุณจุดเทียนไข ใ, ในห้องนะไม่มีไฟพอใกล้จะนอนแล้วเนี่ยเราจังทิ้งเทียนไขไว้ตรงนั้นไหมคุณหมอเราพินนอน น, อ น, นั่งหลับอยู่เราดับใช่ไหม เธอมันก็ปิดไฟแต่พอเราจะใช้อีกเป็นไงจุดขึ้นมาใหม่ความรู้สึกตัวเราก็เหมือนกันในช่วงไหนที่เราไม่ใช้มันให้กลับมาอยู่วิธีใช้มันใช้ออกมากี่ทางใช้ใช้ทั้งหมดที่สี่อยู่ในตัวเราใช้ออกมากี่ทางสามทางใช่ไหมทางไหนบ้างกายยัวาลใช้ทางกาย วจีทวารใช้คำพูดและมโนทวารใช้ทางจิตใจดังนั้นเองเราจะต้องสั่งสมตัวรู้เนี่ยให้พร้อมไว้เสมอสแสดงไว้เสมอด้วยการฝึกสติสัมยะให้เป็นชีวิตเลยผมเขียนให้ใช้ก็ว่าต้องทำให้เป็นอาชีพทำให้เป็น ธรรมดาหรืองานธรรมดาต้องทําให้เป็นอาชีพของชีวิตเลยอาชีพที่สันมีสอ ง, ส อ, งอาชีพอาชีพที่หนึ่งคืออาชีพสั่งสมสติสัมยาเพื่อป้องกันทุกข์ทางกายอาชีพที่สองคือสั่งสมปัญญาเพื่อป้องกันทุกทางใจทีนี่หมายของว่าเราก็จะทําหน้าที่จุงนี้ไปตลอดเมื่อเมื่อใดเราสิ้นท่าสิ้นขันสิ้นชีวิตเราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าจะเกิดอีกแล้วทีนี้จบละเพราะเราทําหน้าที่ที่ดีที่สุดหนึ่งป้องกัน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 ดัวทุกทางรูปนามเนี่ยให้เศษเหลือน้อยที่สุดที่มันจะไหลไปสู่จิตเมื่อก่อนมันเบื่อมากๆก็กลายเป็นเป็นเบื่อในน้อยใช่ไหมเมื่อก่อนมันเซ็งมากๆเหลือเซ็งในน้อยหน่อยเมื่อก่อนมันคิดเยอะๆใช่ไหมก็คิดในน้อยลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุมอาการของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนี่ยอยู่ในกายได้มากที่สุดส่วนมันจะเหลือเศษเข้าไปมากไปน้อยขึ้นอยู่กําลังของอะไร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 มีตัวหลอดมันก็จะเกิดแสงสว่างแต่ถ้าหากขั้วใดขั้วหนึ่งมันมีมากกว่าต่ํากว่าปับ๊บมันก็จะเกิดการแปรปรวนกระพริ บ, ห, บหรือช็อตใช่ไหมนั้นหมายความว่าเกิดมากกว่าดับหรือดับมากกว่าเกิดแต่เกิดดับในอัตราที่สมดุลสมส่วนกันปับ๊บแสงสว่างเกิดนั้นหมายความว่าถ้าบริหารความรู้สึกทางกายระหว่างเกิดกระดับทางกายให้สมดุลกับปับ๊บมันก็ให้เกิดแสงสว่างคือปัญญาแทนที่จะตกไปเป็นทุกข์ใช่ไหม จะตกเป็นเ็จเกิดตัวยานปัญญาเกิดขึ้นในใจนั้นยานปัญญาเกิดขึ้นทุกครั้งโดยอาศัยทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าคุณพบไปทางธรรมที่ให้เกิดปัญญานั้นว่าเป็นอย่างนี้เราก็โฟกัสเข้ามาในความรู้สึกในดวงของเราซึ่งปรากฏตลอดเวลามีแค่สความรู้สึกแต่เมื่อเกิดความรู้สึกทางใจเมื่อไหร่ที่เป็นฝ่ายอากุศลฝ่ายนิวร์ให้รู้ว่าเราบริหารทางกายเป็นไงไม่ดีเราจะไปโทษใครไหม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 มันก็จะเห็นว่าแต่เกิดอีกเจ็ครั้งเท่านั้นเองใช่ไหมแต่หมายความไปทางถูกแล้วนะแต่เดินช้าหน่อยเกิดไปมาเจครถ้าคนไหนขยันขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็จะเกิดอีกสักสองสาครั้งถ้าคนไหนขยันมากก็เกิดอีกครั้งหนึ่งคนไหนสุดยอดของเขาขยันเลยไม่ต้องเกิดอีกเลยท่านก็จะมีเวลาจํากัดของท่านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาจึงอยากจะให้ดูว่าสมความรู้สึกเนี่ยมันยากอย่างไรในการเฝ้าดู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 แต่ถ้าคุณเผลอสิบครั้งคุณดับมันครั้งเดียวไปไงไอเศษอีก9้าครั้งมันไปเกิดที่ไหนเกิดในจิตของคุณอ่ะมันเผลอเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นไม่มีเศษเหลือดับนี่คือคือเทีย ว, ว่านิโรธแต่ว่าส่วนใหญ่มันเผลอห้าครั้งรู้หนึ่งครั้งก็อย่างนีสองครั้งเผลอสี่ครั้งรู้สักสามครั้งก็เหลือเศษน้อยหน่อยใช่ไหม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 แต่ว่าในแง่ของปรมัตถ์มันก็สิ่งเดียวกันถ้าท่านสอนถูกนะมันก็จะมาตรงกันอาจจะใช้คาผู้ใช้คำนวนใช้ภาษาแตกต่างไปแต่ในแง่สภาวนะเป็นเรื่องเดียวกันก็เราก็อย่าไปสับสนเราจะไปแต่ในสำนักไหนที่รู้สึกว่ามั น, มนผิดแปลกแตกต่างที่มันไม่สามารถที่จะมาส่งคลอเข้าหลากลูปนามกายใจได้ชัดเจนก็ถือว่าท่านสอนไม่ถูกเราก็อย่าไปเสียเวลาเรียนแล้วก็กลับมาบริหารหลักการอันนี้นะ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 ไปทำแล้วเนื่องจากเราไม่มีประสบการณ์ไม่ยังมีไม่มีทักษะใช่ไหมผมก็ขอให้เกิดข้อสงสัยติดขัดแล้วก็มาถามกันลักษณะ น, น, นี้คือหน้าที่ของกิริยาณมิตมีหน้าที่แค่นี้เองนะบอกทางเพราะว่าทางสายนี่ยเราเดินกันมาก่อนแล้วก็มากลับมาบอกกันเท่านั้นเองดังนั้นในช่วงเช้าเนี่ยขอลําดับว่าในโกฎท้องการเกิดนั้นมันก็ออกมาเป็นโกฎของอนิจจังถ้าเราไม่ไปเห็นการเกิดดับ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 เสร็จแล้วเมื่อรู้จนชำนาญในเงี้ยาก็รู้จิตเข้าออกรู้จิตคิดไม่คิดชจนชำนาญรู้อย่างนั้นต่อไปวันใดวันหนึ่งมันพุ่งไปเห็นอารมณ์พริกนะพริกปับลักษณะของการเปลี่ยนตรงนี้ท่านใช้ว่าจิตเปลี่ยนนะจิตเปลี่ยนในภาษาหนอเขาเรียกว่าญาณ16นะแต่ละจุดเนี่ยให้เปลี่ยนทั้ง4ี่ครั้งดูรูปนามแล้วให้จิตที่เปลี่ยนทั้ง4ครั้ง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 ท่านพูดเรื่องสติตัวเดียวพูดถึง30ปีนะเรื่องเดียวนี่นแหละเพราะว่าสติเป็นใหญ่ถ้าจับสติได้แล้วก็หมายควเรื่องอื่นมาอยู่ในนี่หมดแต่ในแง่ของรูปท่านให้ดูเวทนาเพราะเวทเวทนาสมโภชนะเวทนาเป็นที่รวมลวงของความรู้สึกทั้งหลายก็ดูเวทนานะงั้นเองในการฝึกฝนนั้นให้ดูกายให้เป็นดูกายก็ดูสําหรับคนใหม่ก็ดูการเคลื่อนการไหวการหนักการเบา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 ที่จะสร้างกําลังขึ้นอยู่กับว่าเราขยันทําหรือไม่ขยันทําถ้าคนขยันทำหมายความว่าจับได้เยอะจับได้มากการตระหนักรู้ก็จะมาไวทักษะความไวเพราะนั้นได้กล่าวไปวันก่อนเนาะคําว่าสติเนี่ยแปลว่าไวแปลว่าคล่องแปลว่าชัดแปลว่าตรงที่แปลว่าลูกศรน่ะพราะนั้นเราก็มาฝึกตัวตัวสติที่เป็นปัญญายาณเนี่ยโดยการมาตักรู้บ่อยๆแต่ว่า ทั้งสอย่างไม่ได้หมายความว่าเรียนรู้ทีละอย่างนะ <c oughs> ขอขวดอีกสักใบอุปกรณ์การสอนเยอะเหลือเกินสมมติเอาโน่นอีกใบหนึ่งนะสมมติสิบนาล อ, อันสี่ไงนะตอนแรกคุณเรียนรู้เรื่องกายถ้าสมมติว่าเรามองเสาเนี่ยอีกสามเสาเรามองเห็นไหมเห็นแต่เห็นไม่ชัด แต่มองทีเดียวพลาดเดี๋ยวมันก็เห็นทั้งสี่นั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเสาแรกที่สุดที่เราเห็นคือเห็นเสานี้เสาเนี้ยแต่ถ้าคุณชํานาญเสานี้แล้วอ่ามันมาตั้งเราก็เห็นอีกสามเสาละเสานี้เราชํานาญมันเป็นตัวจิตของเราละตัวรู้ขั้นที่หนึ่งสำเร็จละพระสดบันดูกลายเป็นแล้วคนนี้ดูกลายเป็นไปโสดบันแล้วนะสองดูเวทนาเป็นอ่าเป็นสกิดาคารมีละ ครบรอบหมดเรื่องเวทนาในวงการทเทวดาเรารู้หมดสองตัวนี้เป็นตัวจิตเป็นตัวรู้ของเราแล้วมันก็จะมาดูตัวที่สมคือตัวจิตดูตัวจิตเป็นครบหมดก พ, พ้นกระบวนกรรมอนาคามีใช่ไหมรู้จนให้ชานาญอีกนะดูจิตดูจิตเป็นในระดับนี้ราคาโทสะมหาแทบไม่เหลือแล้วเนี่ยดูเป็นเนี่ยเพราะอะไรมันดูจนกระทั่งว่าราคามันเกิดอย่างไรมันรู้มันมาจากอะไร รู้ต้นตอหมดหมดเลยแล้วราคาทำให้คนเกิดความละบากเดือดร้อนอย่างไรเห็นวิบากชัดเจนมากเลยมันก็จะไม่ยุ่งกับราคาโทรศัพท์ ม, มือหายเสร็จแล้วพอที่ชำนาญวันหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่โป๊ะหมดเลยตดวเนี้ชัดเจนทั้งสี่ตัวเป็นจิตของเราหมดเลยเปลี่ยนจิตมาเป็นตัวรู้ทั้งสี่ระดับนะ นั่นเองเราก็จะไม่สงสัยแหละเส้นทางนี้เราก็กลับมาซักซ้อมอยู่แค่กายเวทนาจิตธรรมตัวนี้เราชัดอันไหนบางครั้งกายชัดบางครั้งเวทนาชัดบางครั้งความคิดชัดบางครั้งอารมณ์มันชัดแล้วแต่ตัวไหนชัดเราก็ดูตัวนั้นหมายความว่าบางวันเนี่ยเรื่องกายโอเคไม่มีปัญหาใช่ไหมเราก็มาดูตัวนี้ก็เวทนามีปัญหาสุขภาพไม่ดีเนาะปวดท้องปวดไส้ปวดแข้งปวดขาปวดนูน่นปวดนี่แล้วก็ดูตัวเนี้ยนะ บางครั้งตัวนี้เบาบางเวทนาเบาบางความคิดและอารมณ์ยังวุ่นวายอยู่ก็มาดูตัวนี้อ่าตัวนี้สงบแล้วอารมณ์เป็นไงปกติมันก็จะเวียนไปเวียนมาจากนกระทั่งเห็นทั้ง4อย่างเนี่ยปรากฏในในครองจิตของเราเรียกว่าญาณญาณปัญญาก็าจะวนไปวนมาเรียกว่าวิปัสนาญาณเพราะนั้นเองในชีวิตประจำวันเราจึงซักซ้อมเรื่องของกายของดูกายดูใจเนี่ย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 จิตมันจะทําให้เกิดเรื่องอาการของกายเห็นมันก็จะเห็นเป็นลำดับไปอย่างนี้ดังนั้นเบื้องต้นทันท้อให้ชื่จากรูปนามเมื่อควรู้สึกอย่างนี้ตัดสินได้โพลหรือความรู้สึกทางกายนะพอรู้สึกนี้ปุ๊บแต่ฉินเนี่ยอันนี้ควารู้สึกทางจิตนะจะเห็นสออย่างบางครั้งมันก็ยังโกรธอยู่มันยังชอบอยู่ไม่ชอบอยู่ก็รู้เป็นอาการของจิตนะไม่ใช่อาการของเราเราเห็นว่าพี่เป็นอาการของจิตเป็นอาการของกาย เมื่อรู้อาการขอ ง, ของลูกของนามของการของใจความสําคัญว่าเรามันลดลงไหมลดลงสักยทิธิเริ่มอ่อนกําลังสังโยคตัวที่หนึ่งจัดการได้แล้วใช่ไหมแต่ต้องเห็นให้ชัดว่าจนกระทั่งเห็นว่าอันนี้คือความรู้สึกนะมันไม่ใช่เราแต่ใครมาทักเราเมื่อก่อนเราก็ารู้สึกกวีกว่ า, วาตอบสนองได้ชัดแต่เดี๋ยวนี้ทักเราก็อืตอบสนองแบบสบายเพราะมันจิตเรายังเกาะอยู่ความรู้สึกไม่ได้ไปให้ความสําคัญว่า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 แต่ถ้าหากเราไปดูเพื่อจะเอาเพื่อจะเป็นเพื่อจะมีสิ่งนั้นแล้วเราก็มาเรียกว่าไตรสิขาแต่เราดูเพื่อการศึกษาเพื่อให้ให้มันผ่านให้เกิดความชี้ชันานเรียกว่าไตรสิขาเพราะฉะนั้นตัวเกิดเรารู้ไม่ทันก็มาเปลี่ยนมามาเป็นตัวอ น, นิจจ์นะอนิจจ์เราไม่ได้ตามรู้เท่าทันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวพอใจ เหมือนเรานั่งเนี่ยมันแช่ใช่ไหมทุกครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปปับ๊บสบายพอใจเราก็ไม่รู้ความพอใจเกิดจากมาที่เราเปลี่ยนและสบายเพราะนั้นต้องทบทวนนี้ไปเรื่อยๆตอนเย็นอาจจะมี powerpoint ทวนความทรงจำอีกทีหนึ่งว่ามันมันกลินไปถึงไหนนะถ้ามีคนทำให้เพราะนั้นอย่พูดต้องหามือ powerpoint ที่ชำนาญมาไว้หน่อยหามาวันทั้งหลายคนยังทาไม่เป็นนะฮะเหอใช่ไหม วันนี้ทําให้หน่อยก็แล้วกันหลวงพ่อจะให้คําเอาไว้ตอนเย็นให้สีหลากสีนะก็โอเคทั้งหมดทั้งปวงที่หลวงพ่อกลับมาตอนเช้าในเรื่องของที่มาของการไตรลักษณ์กับไตรสิขาเนะี่ยพ่อจะเห็นภาพหรือยังเห็นภาพนะ ม, มีอะไรน่าสงสัยบ้างหามเดี๋ยวเวลาห้านาทีมีนะทั้งหมดอ่ะตรงไหนบ้างที่ไม่ชัดเจนชัดเจนนะ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 เรียนรู้ให้เห็นสภาวะธรรมต่างๆจนสามารถเปลี่ยนใตรักให้เป็นไตรสิกขาได้ด้วยการทุกคนทุกท่านเืิน